วิธีประนามพิษุทั้งหลายก็อุปชาพึงประนามสัท ธ, ธิวิหาริกอย่างนี้ว่าฉันประนามเธอหรือเธออย่าเข้ามาที่นี่เธอจงขนบาตและจีวรของเธอไปหรือเธอไม่ต้องอุปถากฉันอุปชาให้สัท ธ, ธิวิหาริกรู้ด้วยกายให้รู้ด้วยวาจาหรือให้รู้ด้วยกายและวาจาเป็นอันได้ประนามสัท ธ, ธิวิหาริกแล้วอุปชาไม่ให้สัท ธ, ธิวิหาริกรู้ด้วยกาย